สุดตันตปิฎกสังยุตติกายขันธวารวักขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. คขันธสังยุตมูลปัญ น, นาตหนึ่งนักุลปิดตุวรักหมวดว่าด้วยนักุลปิดตาขะหบดีหนึ่งนักุลปิดตุสูตร ว่าด้วยน ก, กุลปิตาขหบดีหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพสกลาวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงสุงสุมาราคิระแควนพักคะครั้งนั้นน ก, กุลปิตาขหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนัที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชาราสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากมีกายกระสับกระส่ายเจ็บป่วยเป็นประจำพระผู้มีพระภาคและภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นที่จเจริญใจข้าพระองค์ก็ไม่ได้เห็นเป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคโปรด โ, โอวาทโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยพระดำรัสที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าหบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าหบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ความจริงกายนี้กระสับกระส่ายเป็นดั่งฟองไขมีเปลือกหุ้มไว้อันหนึ่งบุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียวจะมีอะไรเล่านอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่จิตจกไม่กระสับกระส่ายท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ ลำดับนั้นนกุละปิตาขหบดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาสกระทาประปทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งณนะที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามนากุละปิตาขหบดีดังนี้ว่าขะหบดี อินสีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีาถาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคหรือไม่นักุละปิตาขะาบดีตอบว่าท่านผู้เจริญทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นเล่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงหลังอมตะธรรมรถกระผมด้วยธรรมมีกถา ขหาหบดีพระผู้มีพระภาคทรงหลังอมะตะทำรดท่านด้วยธรรมิกถาอย่างไรท่านผู้เจริญกระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชาราสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากผ่านวัยมามาก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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระผมดังนี้ว่าขะหะบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นขะหะบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นความจริงกายนี้กระสับกระสายเป็นดังฟองไขมีเปลือกหุ้มไว้อันหนึ่งบุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียว จะมีอะไรเล่านอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียดอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู่จิตจกไม่กระสับกระสายท่านพึงสำเนียดอย่างนี้ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงหลังอมะตะธรรมรถกระม่อมด้วยธรรมิกถาอย่างนี้ขาหบดี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 ท่านผู้จเจริญแม้กระผมจะมาจากที่ไกลก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งพระพาสิทธินั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตรขอโอกาสเฉพาะท่านพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งพระพาสิทธินั้นให้แจ่มแจ้งข้าหากบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว สักยทิฏฐิยีสิบนกูละปิตาขาหบดีรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าขาหบดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและมีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอรยะิยไม่ฉลาดในธรรมของพระอรยะิย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 เราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเรารูปนั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปลผันเป็นอย่างอื่นโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคล่าครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปยาธความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นแก่เขา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 เวทนานั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปลผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาจจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราเมื่อเขาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราสัญญานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสัญญาแปรผันเป็นอย่างอื่นโซกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปยาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา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 เมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราวิญญาณนั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปลพันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาธจึงเกิดขึ้นแก่เขาขะหะบดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายและมีจิตกระสับกระส่ายเป็นอย่างนี้แล บุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระส่ายเป็นอย่างไรคือพระอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของพระอริย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 รูปเป็นของเราเมื่อพระอริยาสาวกนั้นไม่ดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเรารูปนั้นแปลพันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปนั้นแปลพันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาจจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยาสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา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 สังขารเป็นของเราสังขาร น, นั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะสังขารแปรผันเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาจึงไม่เกิดขึ้นแก่กพระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา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 และอุปยาดจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นขะหะบดีบุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างนี้แลท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แลนักกุลปิตาขะหะบดีมีใจยินดีชื่นชมภาษิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรนกุลปิตุสูตรที่หนึ่งจบ 2. เทวทหสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหานิคม 2. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเทวทหานิคมของเจ้าสกยะทั้งหลายแคว้นสกกรั้งนั้นภิกษุจำนวนมากผู้ต้องการจะไปยังปัจชาภูมัชนบท เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการจะไปยังปัจฉาภูมิชนบทเพื่ออยู่อาศัยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายบอกลาสารีบุตรแล้วหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพรงค์ทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาท่านพระสารีบุตรภิษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปบอกลาสาริบุตรเสียก่อนสาริบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ภิษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสมัยนั้นท่านพระสาริบุตรนั่งอยู่ในมนดเล็ก ซึ่งมีตกใกล้น้ำขึ้นปกคลุมแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำปะทักษิณแล้วพากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นเที่ยวระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรพวกกระผมจะต้องการไปยังปัตฉาภูมุชชนบทเพื่ออยู่อาศัยพวกกระผมกราบทูลลาพระศาสดาแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็กระสัดผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พราหมผู้เป็นบัณฑิตบ้างขะหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่หากคนผู้เป็นบัณฑิตใค ร, ร้รู้ถามว่าพระศาสดาของพวกท่านมีวาทว่าอย่างไรรัดสอนอย่างไร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 ที่จะเป็นเหตุให้ถูกตําหนิได้ท่านขอรับแม้พวกกระผมจะมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้เนื้อความแห่งพระภาสิทธินั้นในสํานักของท่านพระสารีบุตรขอโอกาสเฉพาะท่านพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์นั้นให้แจ่มแจ้งท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี ผมจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็กษัตริ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพรามผู้เป็นบัณฑิตบ้างขะหะบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่ หากคนผู้เป็นบัณฑิตใครรู้ถามว่าพระศาสดาของพวกท่านมีวาทะว่าอย่างไรตรัสสอนอย่างไรท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าพระศาสดาของเรามีปกติตรัสสอนให้กําจัดชันทราคะแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพรามณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง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 พระศาสดามีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพระศาสดามีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างข้าบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้าง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 ไม่ปราศ จ, จากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาจจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนดในเวทนาเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนดในสัญญาเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัด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 ไม่ประศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปยาตจึงเกิดขึ้นพระาศาสดาของพวกเราทรงเห็นโทษนี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณ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 ปราัจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะยานอยากในสังขารเพราะสังขาร น, นั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโศกาปริเทวะทุกโทมานตและอุปยาจจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อน ปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณ น, นั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นเศกิปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาจจึงไม่เกิดขึ้นพระาศาสดาของพวกเราทรงเห็นอนิสงส์นี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคาในวิญญาณ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลกรรมทั้งหลายอยู่จะมีการอยู่เป็นสุขไม่ลำบากไม่รับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุขติพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลายไว้แต่เมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงมีการอยู่เป็นทุกข์ ลำบากคับแค้นใจเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติฉะนนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ก็จะมีการอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นใจเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียว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 พระผู้มีพระภาคจึงทรงสารเสริญความถึงพรอง้อมกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระสารีบุตรเทวะตหสูตรที่สองจบ 3. หลิธิกานิสูตร ว่าด้วยฮาลิติกานิขหบดี 3. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจยนะอยู่หน้าภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันเขตเมืองกุลลคระแคว้นอวันตีครั้งนั้นขหบดีชื่อฮาลิติกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจยนะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสีนี้ในมาคันทิยะปัญหาอันมาในอัฏฐกะวักว่าบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทําความเยื่อใยในบ้าน ว่างจากกา ร, รมทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคําขัดแย้งกันข้าแต่ท่านพระมหากัจจยนะผู้เจริญเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรท่านพระมหากัจจยนะตอบว่าข้าบอดี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 วิญญาณธาตุที่ผูกพันกับราคะในสัญญาธาตุรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อยู่ขหบดีบุคคลผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อยู่เป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่เที่ยวสั้นไปหาที่อยู่เป็นอย่างไรคือความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่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 บุคคลผู้ไม่เที่ยวสร้นไปหาที่อยู่เป็นอย่างนี้แลบุคคลที่เที่ยวสร้นไปหาที่อยู่เป็นอย่างไรคือความเที่ยวสร้นไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสร้นไปหาที่อาศัยความเที่ยวสร้นไปหาแล ะ, <manifest ated> และ Maybe, <educated instruction> ความผูกพันกับที่อาศัยคือสัทนิมิตคันธนิมิต ตรสานิมิตโพธพานิมิตธรรมนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อาศัยคหะบดีบุคคลผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่เที่ยวสั้นไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความสั้นไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปนิมิต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 ข้าพดีบุคคลไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้เกิดความเยื่อยใยในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เกี่ยวข้องอยู่กับขฤารือหัดเพลิดเพลินร่วมกันเศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ทุกด้วย เมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองขหาบดีบุคคลผู้เกิดความเยื่อใยในบ้านเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่เกิดความเยื่อใยในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับคฤ ห, หัดไม่เพลิดเพลินร่วมกันไม่เศร้าโศกร่วมกัน เมื่อพวกเขาสุขก็มิได้สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็มิได้ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ไม่ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองขะหาบอดีบุคคลผู้ไม่เกิดความเยื่อใยในบ้านเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่ว่างจากการทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราสจากความทยานอยากในการมทั้งหลายข้าบดีบุคคลผู้ไม่ว่างจากการมทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ว่างจากการมทั้งหลายเป็นอย่างไร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 ในอนาคตการเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีสังขารอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ขะหะบดีบุคคลผู้ไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้กล่าวถ้อยคําขัดแย้งกันเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้กล่าวถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้พระธรรมวินยัยเรารู้พระธรรมวินยัยท่านรู้พระธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกคำที่ควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำที่ควรกล่าวทีหลังท่านก็กล่าวก่อนคำของเรามีประโยชน์ คำของท่านไม่มีประโยชน์ข้อที่ท่านเคยปฏิบัติมาผิดเสียแล้วเรากราวหาท่านท่านจงแก้ข้อกราวหาเสียเราข่มท่านได้แล้วหรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดขหาบดีบุคคลผู้กล่าวถ้อยคำขัดแยง้งเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่กราวถ้อยคำขัดแยง้งเป็นอย่างไร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 พระภาสิตของพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในมาคันทยปัญหาอันมาในอัตกะวักว่าบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวส่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทำความเยื่อใยในบ้านว่างจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันขหะบดี เนื้อความแห่งพระภาสิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อพึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แลฮลิธิกานิสูตรที่สาจบสทุติยฮลิธิกานิสูตรว่าด้วยฮลิติกานิกหบดีสูตรที่สองส่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจยนะอยู่ณภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันเขตเมืองกุลคระเควนอวันตีครั้งนั้นขหบดีชื่อฮลิทธิกานีเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งนัทที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจยนะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิบนี้ในสกตะปัญหาว่าสมณะพราหมณ์ผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสำเร็จขั้นสูงสุดมีความเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรมจรรย์ขั้นสูงสุดมีจุดหมายขั้นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ค่าแต่ท่านผู้เจริญเนื้อความแห่งพระภาสิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรพระมหากัจจยนะได้กล่าวว่าขหบอดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นที่เป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปธาต ท่านกล่าวว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเพราะความสิ้นไปคลายกาหนัดดับสละปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นความพอใจความกาหนัดในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุความพอใจความกาหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่น และนอนเนื่องในวิญญาณธาตุปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นข้าบดีพระภาสิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสักกะปัญหาว่าสมณะพราหม์ผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสำเร็จชั้นสูงสุดมีความเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรมจรรย์ขั้นสูงสุ ด, ม, ม, สสดมีจุดหมายขั้นสูงสุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าบดีเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยอด่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แลทุติยะฮลิธิกานิสูตรที่สจบหสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิห้า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 เชยชมยุติดรูปเมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยุติตรูปความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้นความเพลิดเพลินในรูปและอุปทานเพราะอุปทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามระโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาจึงมี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 เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปความเพลิดเพลินในรูปจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดเวทนาเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชม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 เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดสังขารความเพลิดเพลินในสังขารจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดวิญญาณเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดวิญญาณ ความเพลิดเพลินในวิญญาณจึงด well ับเพราะความเพลิดเพลินของพิสูจนั้นดับอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุน์ทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งเวทนานี้เป็นความดับแห่งสัญญานี้เป็นความดับแห่งสังคานนี้เป็นความดับแห่งวิญญาณสมาธิสูตรที่ห้า หปฏิสัน ล, ลานสูตรว่าด้วยการหลี ก, กริน6กเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในที่สงัดภิกษุผู้หลี ก, กรินอยู่ในที่สงัดย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริง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 พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณวิญญาณของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณ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 วิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนาก็ไม่ครอบงำจิตของอริยาสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยาสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใ ย, ยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น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 อุปทาปาริตัสนาสูตรที่7จบ8ทุติยะอุปทาปาริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่นสูตรที่สองแเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุ้งเพราะถือมั่น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 พราะวิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาจจึงเกิดขึ้นแก่เขาภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะถือมั่นเป็นอย่างนี้แหลความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรารูปของอริยสาวกนั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปลผันเป็นอย่างอื่นโศกปริเทวะทุกโธมนัสและอุปยาจจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นสังขารว่า นั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณของอริยาสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นโซกะปริเทวะทุกโทมานั์และอุปยาจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกนั้นภิกษุทั้งหลาย ความไม่สะดุงเพราะความไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แลทุติยปาทาปริตัสนาสูตรที่8จบเกอลัตยะอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงในสามการ 9. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อะไรในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกหนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยง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 กาลัตตยะ อ, อนิจจสูตรที่เก้าจบสิบกาลัตตยะทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ในสามการสิบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์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 สังขารที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์วิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้ดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อะไรในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัตเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อกลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน กลัตยะทุกขสูตรที่10จบ 11. กลัตยะอนัตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาในสามการ 11. เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคต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 สังขารที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาวิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาไม่จำต้องกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อะไรในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกาหนด เพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันกลัตยะอนัตตสูตรที่สิบเอ็ดจบนกุละปิตุวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นกุละปิตุสูตร 2. เทวทหสูตร 3. หฮลิธิกานิสูตร 4. ทุติยะฮลิธิกานิสูตรห สมาธิสูตร 6. ปฏิสั ล, ลานสูตร 7. อุปาทาปริตตสนาสูตร 8. ทุติยะอุปาทาปริตตสนาสูตร 9. อรัตตอาอนิจจสูตร 10. กกัลตตยะทุกขสูตร 11. กเอัตตยะอนัตตสูตร